แล้วนั่งสมาธิแล้วก็นั่งรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวรู้สึกใจของเราดู่ารมเราเป็นยังไงปกติไหมปกติก็รู้ว่าปกติ ไม่ปกติก็รู้ว่าไม่ไม่ไม่ปกติได้ยินเสียงนี่เสียงคนมาอะไรก็ได้ยินเป็นเสียงเฉยๆไม่ต้องไปพิจรารณาอะไรต่อได้ยินเสียงและจิตฟุ้งร้างไปก็เห็นว่ามันฟุ้งร้างไปเฉยๆ เป็นอาการของมันเป็นแค่อาการของจิตที่มันร้านไปไม่ต้องไปให้ชื่อให้ความหมายให้ค่าไม่ต้องไปเรียกมันว่ามันเป็นอะไรไม่ต้องไปนั่งพูดว่ามันไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวตน การคิดตั้งนั้นความรู้สึกครั้งแรกที่เรารู้สึกได้ถึงกายถึงใจเราถึงอาการต่างๆอันุ๊กจบใช่ไหจบแล้วการที่เราจะพิจารณาเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้นมาว่าเหมือนที่เราเรียนมามนในหนังสือที่เราอ่านมาเมืนที่เราฟังมานี่เป็นความคิดตั้งนั้นเรามีตัวตนไปแล้ว เราอยากจะได้ความรู้นะเราอยากจะได้ข้อสรุปแบบนั้นเราเลยต้องคิดเพื่อจะให้มันสอดคล้องกับหนังสือเรามีตัณหาด้วยที่เราไม่รู้ตัวเรานึกว่าเรากาลังปฏิบัติธรรมเราตกทางตั้งแต่เราพิจารณาทางของการปฏิบัติธรรมมันมง่าย ที่ทุกคนจะต้องจําเอาไว้ก็คือว่าการพ้นไปจากความปรุงแต่งทั้งตัวเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปปรุงแต่งเมื่อไหร่เมื่อ น, นั้นตกทา ง, งทันทีไม่ว่าการพิจรารณาสิ่งเหล่านั้นมันจะดีแค่ไหนก็ตามมันเป็นความปรุงแต่ง ชีวิตเราปรุงแต่งมาทั้งชีวิตตลอดชีวิตแล้วก็หาความสุขไม่ได้พอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จะปรุงแต่งอกีกแต่รเรียกว่าปรุงแต่งฝ่ายดีปรุงแต่งบนทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็บอกว่าเราปฏิบัติธรรม แล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วเปลี่ยนโลกจากคนหลงโลกมาเป็นคนหลงปฏิบัติธรรมเฉยๆนี่ว่าเปลี่ยนโลกใหม่ยิ่งปฏิบัติยิ่งแบ่งแยกคนเห็นคนอื่นเป็นมิจฉาทิฏฐิเราเป็นสัมมาทิฏฐิ ความสุขโตรงสองด้านเลยความมีตัวตนความไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่จิตใจนี่จะสรุปเองจากการที่เรารู้เห็นสภาพสภาวะตามเป็นจริงเราจะรู้เห็นสภาพสภาวะตามเป็นจริงได้ ไม่ใช่ว่าเราไปตามรู้ตามดูสภาว่ามเกิดมันดับมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอรณตามันไม่มีตัวตน มันเป็นความจริงเหมือนกันแต่การที่เราไปตามรู้ตามดูโดยที่เรายังไม่ได้เตรียมจิตใจของเราให้มันพร้อมที่จะไปเห็นแบบนั้นเนี่ยเราจะตกอยู่ไปใต้ความคิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนจะเห็นแบบนั้นได้เราต้องมีจิตใจที่มันตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ ใจิตใจที่เป็นปกติอยู่เห็นอะไรนี่มันเห็นชัดเห็นอะไรนี่มันเห็นจริงไม่มันยิงจริงได้เพราะการเห็นนั้นเป็นการเห็นล้วนๆในขณะที่เราปกติอยู่จิตใจนี่เป็นปกติอยู่ในขณะนั้นไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอะไรก็ตาม ต้องเห็นบนพื้นฐานของความที่เราไม่มีตัวตนแต่พื้นฐานของความไม่มีตัวตนไม่ใช่สิ่งที่เราไปนั่งคิดเอามันเกิดจากจิตใจที่มีความเป็นปกติแล้วบนความปกตินั้นไม่มีความกระเพื่อมวันไหวเหมือนน้ําที่มันนิ่ง มันไม่กระเพื่อมันไหวเราเห็นอะไรก็ เ, รเห็นชัดเรามองลงไปได้ถึงก้นสระพอพูดแบบนี้บางคนก็จะไปทำสมาธิเพราะอยากให้มันนิ่งความนิ่งของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นิ่งหรือกับพที่ เท่งอะไรเอาไว้จนมันนิ่งไม่ใช่แบบนั้นความนิ่งจะเป็นผลลัพธ์ของการที่เราเจ็ตใจนี้มันเป็นปกติอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างหนานแน่นอย่างเป็นนิสัยเจ็ตใจนี้มันก็เลยหนักแน่น มันหนักแน่นมันก็เลยมั่นคงมันมั่นคงมันก็เลยวิ่งไม่กระเพื่อมหวั่นไหวง่ายๆเพราะนั้นเราอยากจะเข้าถึงสัจธรรมอยากจะเห็นสัจธรรมเราต้องฝึก จ, จิตใจของเราทุกคนให้มันเป็นปกติ ควาเป็นปกตินี้อันนี้พูดเป็นภาษาว่าฝึกจริงๆก็ไม่ได้ฝึกเหมือนกันมันเป็นสภาพที่มีอยู่แล้วมันเป็นสภาพที่เราทุกคนมีอยู่ตั้งแต่เราเกิดมาแต่เราโตมาในสังคมอุดมปัญญาสังคมใช่อุดมปัญญาอุดมความชิด เรานึกว่านี่เรียนปัญญาเราก็เลยอุดมความคิดตลอดเวลาเราอุดมโดยความคิดเราก็ถูกหลอกตลอดตัวตนก็เกิดขึ้นตลอดเวลาความเป็นปกติที่เราเคยมีอยู่แล้วในชีวิตของเรา ที่เรียกว่าจิตคือพุท ธ, ธะเนี่ยทุกคนมีจิตคือพุท ธ, ธะอยู่แล้วมันก็เลยเรือนหายไปแล้วก็ลืมสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราแล้วก็เอาความคิดนี้มาบดบังเอาไว้จนหมดสิ้นเส้นทางของความทุกข์ พระพุทธเจ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทเอาไว้ที่เริ่มจากอาวิชชาจนไปสู่ความทุกข์ในที่สุดการที่เราจะพ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทไฟดับ สุดท้ายจนมาดับวิชาในที่สุดการที่ปฏิจจสมบาทดับได้ไม่ใช่เพราะเราไปนั่งดูมันไปนั่งพิจารณามันไปนั่งทำความเข้าใจไปอ่านมันหรืออะไรก็ตาม แต่มันเกิดจากจิตใจที่มันเป็นปกติอันนี้อยู่จิตใจที่ปกติอยู่จะมีผลให้ความปรุงแต่งนี่มันลดลงความฟุ้งซ่านนี่มันลดลงการตัดสินแบ่งแยกนี่มันลดลงเมื่อมันลดลงปุ๊บปฏิจจ่ายดับมันถึงจะเกิดขึ้น ฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าเราจะต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างลึกซึ้งเราถึงจะถึงธรรมได้อันนั้นเป็นความคิดพระพุทธเจ้าตัดสัรู้แล้วเลยสอนปฏิจจสมุปบาทว่าคนเรานี่ทุกข์เพราะอะไรพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเริ่มที่จะดําเนินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ อ, อุิยาศัสตร์สรู้อะไรเป็นทุกข์แล้วเราก็ละเหตุแห่งทุกข์นั้นอะไรคือเหตุแห่งทุกข์คือความปรุงแต่งนะเราจะละความปรุงแต่งได้ยังไงเราต้องไปรู้จักสภาพที่มันพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงไป สภาพทุ่มพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงก็คือสภาพที่มปกติอยู่เราจะเข้าถึงความปกติได้อย่างไรเราต้องรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวเราจะออกมาจากโลกของความคิดในขณะนั้น จิตใจนี่ได้สัมผัสความเป็นปกติขนาดหนึ่งแล้วเล็กๆเรานี่ยังไม่รู้เรื่องหรอกแต่จิตใ จ, ใจมันรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะฝึกให้จิตใ จ, ใจีรู้สึกตัวรู้จักความรู้สึกตัวบ่อย บ่อยๆ อ, อย่างเป็นธรรมชาติหมายความว่าเรามาฟังทม ฟ, ฟ, ฟังวิธีการปฏิบัติทมแล้วเราจำได้จำได้ว่าการปฏิบัติเนี่ยเราควรที่จะรู้สึกตัว เพราะนั้นชีวิตของเราที่เรารู้เส้นทางของการที่เราจะพ้นไปจากความตรงแต่งของปวงได้เราต้องรู้สึกตัวสัญญานี้จะคอยเตือนเราคุณทําหลายอย่างที่มันมีขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยเช่นเรามีชันทะที่จะไปทางนี้ชันทะคือความพอใจที่เราจะใช้ชีวิตทางนี้ดําเนินทางนี้ปฏิบัติแบบนี้ รวมกับสัญญาที่เราเรียนรู้มาว่าเราต้องทำยังไงมันจะคอยปลุกเราจะคอยเตือนเราว่าหน้าที่ที่แท้จริงของเราคือรู้สึกตัวไม่หลงเข้าไปในความคิดไม่ตามความคิดไปเพราะฉะนั้นการรู้สึกตัวเราจะเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เกิดการที่เราบังคับว่าเราจะรู้สึกตัวไม่ได้เกิดจากการที่เราไปคิดว่าเรารู้สึกตัวอยู่การปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ให้แม่นยำว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำอะไรทั้งนั้นถ้ามีการทำขึ้นมาเมื่อไหร่อันนี้ไม่ใช่การปฏิบัติธรรม ถ้ามีการกระทำมันมีเรามันมีเรากระทำเราคิดว่าเราต้องทำแบบนี้เราต้องทำแบบนี้ทำไมเราต้องทำแบบนี้เพราะเราอยากจะได้ผลจากการที่เราทานั้นเราต้องรู้ว่าการปฏิบัติธรรมนี่เป็นหน้าที่เฉยๆเราต้องทำเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของชีวิต ไม่ได้หวังจะได้อะไรจากการปฏิบัติธรรมแต่เรารู้แล้วว่าเราเกิดมาคนเราเกิดมาเรามีหน้าที่หน้าที่ที่จะพ้นทุกข์และวิธีการที่จะทําหน้าที่นั้นก็คือรู้สึกตัวไม่ตามความคิดไปไม่หลงเข้าไปในความคิดเห็นจิตใจนี้มันปกติอยู่พาจิตใจนี้มันรู้จักความเป็นปกติที่เราทุกคนมีอยู่แล้ว การเรียนรู้กายและใจแบบนี้ถึงจะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ได้การปฏิบัติธรรมนี่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของทุกคนเราต้องมีหน้าที่เราต้องมีวินยัยชีวิตถึงจะเจริญได้เมือนเราหายใจ ต้องหวังไหมว่าเราจะได้ต้องได้ออกซิเจนต้องเพื่อจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อเพื่อเพื่อเพื่อแล้วไม่มีมันหายใจเองมันเป็นธรรมชาติของร่างกายนี้ที่มันรู้หน้าที่มันว่ามันต้องหายใจหล้วเราก็ปให้มันทำหน้าที่ของมันไปอย่างนั้นหายใจเราไม่ได้คาดหวังอะไรจากมันเหมือนกัน ฉันคําว่าหน้าที่นักปฏิบัติมีหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องท่องเอาไว้เป็นหน้าที่